อาชนาเหมือนกับน้ำคือษาสำหรับชาล่างคือที่ศกปกซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจของหลัใจที่พร้อมด้วยความโกดแจกจิตตายอยู่ภายในตัวจะว่าเป็นใจที่ศกศกจึงต้องชำระล่างด้วย น้ำที่สาสนาเป็นการสร้างงาำความดีทั้งหลายมันจะเป็นเหมือนกับน้ำทิส่สะอาดการฝึหกหัดกติปัญญาเป็นแก้ไขก็คือว่าน้ำทิศสะอาดเพราะคำว่าสาสนธรรมก็ต้องรวมถ่งแบบนี้เข้าด้วยด้วยสะอาดผ้าที่ไม่สะอาดก็ไม่น่ามุ่ง อะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูเกิดชามเป็นช้าไม่สวยต่างๆที่ไม่สะอาดนันก็ไม่น่าใชา้จึงต้องชาระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนํามาใชา้จิตใจเป็นของโสโครกไม่สาอาดมาดั่งเดิมมันเป็นพื้นฐานอั น, นแห่งความไม่สะอาดที่มีมาประจิตเพื่มื ถึงการเวลาที่เราทราบดูทราบชั่วร์ดังที่เราทราบอยู่เวลา น, นี้จึงต้องพ ย, ยายามชำางสิ่งที่โสโครกภายในกายวาจาใจของตนความไมา่สะอาดนี้แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพลดน้อยพลดใหญ่ขึ้นอยู่กับความสกปรก ไม่ศาสรนี้เป็นมูฐานของใจการทำมะได้มากน้อยก็คือว่าตัดความทุกข์ยื่นทางเข้ามาเป็นลำดับคาว่าความเกิดเจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั้นเองถ้าเราจะสามารถ เก็บกวาดเอาภพชาตของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวะะนัฏฏานี้แม้แย่นคนเดียวเท่านั้นมารวมตัว เ, เขา้ามารวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูแต่ว่ามีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพพชาติดูชากของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่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 ซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่ความเค้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงเพราะฉลบสลายนุ่นเป็นไหลไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความทาาของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวตังแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่กาแสดงตัวในพบในชาตินัน้นแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นไอรถึงบประจนันนี้เราไม่ไค่อยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีอความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวซ่าของตจ้าขอนท่านพระพุทเจ้ววาท่านจึงสอนท่านทรงรู้สรกเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนํามาสอนพวกเราให้เห็นภัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากอย่างไรแต่พบชาติหนึ่นงมาเกิดเป็นเพื่อนมนุษย์นี้ก็มาสูท่ทลายนักให้พบชาติอื่นนึ่นเลย ที่มันน่ากลัวและเกินน่าขยะแขยงความทุกข์ความลาบากทรมานเอาถามว่าเขาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกบกไหมหรือที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากอะมองเห็นได้ตามเนื้ออีก้วยแล้วยิ่งจะเป็นอิงที่์น่ากลัวมากมายอีกนี่ ก, ก็เพราะเรา แม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จาก็จาไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจานั้นมันหมดไปเสียโดยความจำไม่มีความหลงลูนนั่นแหละโดยเป็นกำแพงกั้นทายที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแลวก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประหม่าเหมือนนังว่าภพชาติมี อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่า น, นั้นนี่นี่ก็เป็นกาแพงอหนึ่งที่กั้นมให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสำหรับตัวที่เคยแสดงไว้แล้วก็ทำให้เกิดความประหม่านอนใจเห็นกว่าตายละสูงไปละอะไรเนี้ยเขมีจำนวนมากพราไม่เห็นก็สุดยืสัยที่จะว่ามันมี อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดบางที่เราทั้งหลายปฏิบัติตรงนี้ก็ชื่อเป็นผู้เชื่อเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นมีตาอันลืดยาวมีตาอันแหลมคมได้ แ, แก่ขยานคือพระพุทธเธจ้าเป็นตน้นที่ทรงทระนามว่าโลกวิถูหรือแจ้งเห็นสิงโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้ถึงยอพบเงินชาตของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นู่นและเป็นม า, นากน้อยเันไหร่ถึงเราจะไม่รูออ้นึกจำไม่ได้ก็ราะตาแล้วระมวลมาสู่ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละ ที เ, เป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะเปเจ้าฉกเจ้าลักจะาต้นเจสล้มปลูกยิงของเองินทองนไปเจ้าค่าปลูกค้าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนั่งไม่ได้เพระโจนหัวโจมมันลูนามมาตั้งแต่นเกิดกมันรู้จักเรีนสาภาวะทําแต่งานอย่างนี้มาทางนั้น น, นั้นจะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจำไม่ได้ที่มัเคยทำอย่างนั้น แต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวงโตกไปเชืีอทําสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่ทุกใส่กลางไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาราวที่มึงไปทํายู่นั้นทีนี้เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละคือเกินมากขีดพบขีดชาติที่มึงเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ ทุกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิดเป็นภัยที่คอยแสดงอออยู่ทุกเว ล, มเวลามีหล่ะณภายในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเราคนชุดให้เห็นอสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาในธาตุในขันก็ถูกประมวลมาในธาตุขันของเรานี้เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเกณฑ์ไหลตั้งแต่วันเกิดจะมาทำกิจบัตรนี้ ธาตุขันนี้นแสดงความทุกข์มามากน้อยเป็นไรก็เต็นธาตุเต็มขันเต็นตัวสลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เดือเต็นตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํานนองที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นมาแล้วก็เป็นทํานนองที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อย มากกว่านั้นก็คืเป็นสัตว์ตาต้อยสัตอาภัพอย่างนี้รักต่าีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้แล้วยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องความทุกข์เป็นเป็นสาเหตุมาจากความกดเจ็บเจ็บตายนี่แหละเป็นสําขัดแล้วก็คือเรื่องของวิเลตอาคารัเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ไเกิด ตาย อ, อยู่ในที่ต่างๆในทษท่าต่างๆะมวนลมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขยอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝุกฝนอกรมไม่มีพยายามตั้งสติให้ใกล้คิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความวิตที่แจ น, นาโดยผิวกองทุกจากท่าจากขันอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณา และเป็นหินลับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะมีความปลอดใสโดยอาศัยธาตขันธ์ขึ่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นตุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจนารณาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตขันธ์เป็นตุ๋ยหรือเป็นหินลับสติปัญญาให้คงกระ เมื่อพิจารณาสิ่งแบบนี้รือว่าขอบคิดแล้วความทุกทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดจิ่งแบบนี้เองไม่ใช่ติดอย่างอืง่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเรกพอติดขันห้านี่แหลติดขันห้าติดใจเจ้าของมันต้องไปติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นไม่รู้ขันห้าแล้วมันก็ไม่ท้นที่จะรู้ต้นถึงวิละหลัก เงาเข้ามุมของมันไม่ได้ไม่จยใจใจดูจนไหนท่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นๆบรรดาอาการ ท, าทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี่ถ้าดูด้วยความคิวเถินดูสักดแต่ว่าดูมันก็ไม่เกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำคาญแต่เท่นั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกัน ดูแบบทําดูด้วยความจดจ่อดูด้วยทัตติ ด, ด้วยปัญญาอุบายต่างต่างต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะน้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคมแฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับธาตุกับฐานนี่มันค่าเข้ากันอยู่ ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีพิเลนเป็นผู้ร้อยรัดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้มี่าคฐานของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาทุกความตั้งขึ้นมาเป็นรู้เป็นกายเนหญิงแต่นยะเป็นชายและกำหนดพิจารณาทุกความส่วนความสลายลงไปถึงภาคฐานนี้อ ความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความฉลายลงไปจนมีความสำนี้ชำนาญเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความจันนิ้ชำนานความค่องแคล่ของอจิตใจในส่วนเนี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาดูแท้ ถ้าดูเพียงผิเผินดูสักแต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำไปแบบอะไรคงคงโครงกา ร, ร, รไปเะไรย่นั้นไม่เกิดประโยชน้ทองเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นต่างความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรายังไม่แต่ ก, ก็กําหนดให้มันแตกได้ว่างกำหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมา เพรเรื่องความคิดมันเป็นอย่างนั้นมันนี่สร้างขึ้นมากรับแตกไปนี่ผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นการและสลายตัวลงไปเป็นดีนเป็นนักเป็นลมเปนไฟนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งอย่านี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวการเนื่องจากความมึนงงของตัวเองถ้าให้เป็นเช่นั้นจึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการ ถึงเวลากล้าหาญกล้าหารเช่นเดียวกับความขี้ขล า, าดกตัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันเวลากลัวกูกว่ามากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทวาโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสำคัญที่ยังกิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทือนรู้ชอบช้าอย่างหนักได้จากความกลัวตาย เมื่อใดที่จจรณาเรื่องความตายนี้ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกระหารยิ่งกว่าใจที่รู้เรื่องความตายโดยความกระหารขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทำให้เกิดความตัวการรู้เรื่องความตายทำให้เกิดความกระหารขึ้นมาในลักษณะเช่นอยู่ตันงหรมันเป็นคู่คู่แข่งกัน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 ความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความขยาดจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขยาดจิตใจเป็นชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบครอบโดยทับงรุ์แล้วนั้นไม่มีจิตใจมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาพทิ่ปกติดิ้นเหมวอนหนูนี่ผิดกันห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 สายทางที่เดินอยู่ในวัฏฏะสงสายนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคำว่าบุญและบาปก็ปลอดไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่ากุญยปาปะปะ น, นิหนบุคคลได้แก่พระอราหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปปัญละเสแล้วนะคำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการจะถึงจุดใดทามีความจาเป็นต่อการ เดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจําเป็นไปคำวมาบุญนี่ก็สมถึงเราจนกระทั่งถึงมิมุติบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสนับสนุ น, นเราจนกระทั่งถึงนิมุติคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำวมบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้ด่ยการทั้งสองเงือนก็ผ่านไ ป, ไป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 เกลือทหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในธาตุขันแล้วมันก็ปลอดกันแต่เอกโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดนี่คําว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นสทอนบาปคือความสั้มองและตั้งใจตั้งใจตาตั้งใจถอ น, ต, ถอนต้นเหตุทั้งหมดคืออะไรมันทําให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความตั้มองขึ้นมานี่อะไรเป็นสาเหตุแก่สาเหตุเหมนอนแก้สาเหตุลงไปด้วยนะความตั้มองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไป การแก้เหตุแก้สาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความสมองเต็มไปนั่นก็คือการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมามันมีความฉลาดนั่นก็แก้สิ่งเหลนี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้แบบสิ่งนี้ได้สถึงนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเถิงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านน้งมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนนังคําที่ว่าสติปัญญาเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้ที่เล็ดทุกประเภท พ้ประจักษ์สติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือที่สาคัญมากในการแก้ที่เดชทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้ที่เดชถ้าจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายกนจิตใจนะ้าสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเอเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือกันเองเพราะทงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยสติปัญญาเป็นเครื่องมือแต่ใช่เป็นผลที่เราจะรุ้รับไม้ตลอดไป เป็นเครื่องมือฟัง ท, ท่านพูดไว้เป็นไรสมาธิสมารถสรถังกปูเป็นต้ น, นเป็นมัชน่ะฟังระหว่างมัชมัชแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทำงานก็แกกี่เลยทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภัยเนี่เป็นมัชกิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกส่วน ทุกขในการแก้กเดีต่างหากทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมลรืเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมัดแปดนี้เนี่ยและเป็นทางตรงแนวต่อมาผลิพทางก็คือทางสายนี้ชื่อมัชิมาเนี่ยฉะนั้นเมือ่อถึงจุดหมายตัดทางแล้วความัชิมาซึ่งเป็นขนทางนี้ก็หมดความหมายเอง พอถึงที่แล้วใครจะไปกอบโคยหรือแบบขามโอนอทางไปแด้ไปหรอก็เป็นไปตามความคิดเนี่ยที่ตันว่าบุญญาปลาปากไหงาบุคคลภูมิบุญาบาปันนาเสียแล้วนะละแบบนี้เองเลยฉละแบบต่างใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนว่าวาเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะไปกลัวคนทาง ถ้าจะเปรียดทุนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่า น, นามมากันไปเองหรืหมดความหมายกันไปเองอย่างนั้นต่างหากทีก้จิตก็เดินสุทธาอยู่ถ้าว่าจะอยู่หรือถ้าว่าอยู่อยู่ด้วยความเมตสุใจะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความเมตสุใจ ไปด้วยความเบื่อสุดใจไม่อยู่ด้วยความมบสุดไปด้วยความเบื่สุดทุกอาการไม่ไม่ไม่ละความเบื่อสุดที่บริสุดแล้วเป็นเท็จนี่ดูจิตที่ที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายอะหมดด้วยใเลยท่านพิเศษท่านพิเศษจากนี้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 โดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันพิรากฏฎพิมาให้เป็นความทุกข์เฉพาอหน้าก็ามไม่หล่นเพราะปัญญาไม่พาให้หลง น, นอกจากความโงต่ตอนนั้นเองทายคนหลง น, นี้ปัญญาเมื่อใดกันงะรู้ผูกพวงไปหมดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกเพราะเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกำเนิดเพรา ะ, ะนั้นเริ่มาขาดฐานจะแสดงอปเป็นตาม อาการทั้งมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะ น, นั้นๆจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายของของขันที่มันทนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็เศร้ามันสลายตัวลงไปไอ้เจ้าผู้บริผู้บริสุทธิ์ก็มาได้สลายไปตามท่าตามขันขึ้นเป็นตัวสมมุติผู้เป็นยิ้มมุดก็เป็นไปตามยิ้มมุดผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนี่ยทางอันก็จริง มีแบบประมวลเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจําได้มาได้ตา่างๆให้ประมวนลงมาในธาตุขันท้ขนของเรากองทุกทั้งมวลที่เคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติจะประมวลลงมาในการในจิตทั้งเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกํันลมที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทางไม่จนมาทั่งไม่มี อ, อะไรเหลือ เป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ภายในจิตใจให้รู้หลวงอีกเลยก็เชื่อกเป็นผู้รู้แจ้งแกงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายรู้โเป็นโล ก, กวิถีรู้แจ้งโลกภายในขันท่องตกโลกคือขันรู้แจ้งโลกคือขันนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมาจุดกลับสูก่การก็มายุติกันลงที่จุดนี้ใ้เดิมที่จะเป็นต่อไปข้างหน้า การพบสังขารเกี่ยวกับชองอปัสเกิดแก่จิตายในสถานที่หั้นพบนั้นพบนี้ก็หมดปัญห า, าลงในปัจจุบันนักกิจที่โดยสุดแล้วด้วยสติปัญญายเป็นเครื่องอำนาจเรื่มกับวติตรเพียรงนี้และการสแสดงก็วิจิตรเพียรตนี้เอาลักเจวังมาเป็นี้เอยทางปั่นเกิดมาแก่ไปยังไงแล้วก็ <łam S 1> พละงไหลงไปขนาดไหก็รู้แตตัวนี <that>. ้ม <the> ันเป็นไตรลักมันจะเสื่อมลงไปได้อ๋อมันมีสิ่งที่เป็นายรลักอยู่ในมันนั้นเราจึงพูดได้ว่ามันเป็นไรักได้สิ่งที่แท้สิ่งนี้นคือสมมติที่เหลองันนิดนึงก็เป็นสมมตินั่นหละคือายรัก กี่คิดว่าเดรินขึ้นหรืเสืมลงเนี่ยตามอาการทังจิตทั้งสายดีสายช่วมันมีอยู่ภายในจิตท่านว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นเหนี่กว่าหมายท่าว่าจิตมันค่อยอาการทังจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความกระหว่างกระจ่างแจ้งมา น, น, er. นี่เห็นชัดตัวลำดัดับลุกของใสบริเวณดัดับเนี่ยมีเป็นอาการทังจิตเพราะนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางอย่างนี้เรจตงพยายามให้มันจะเลยขึ้นเรื่อยๆพะมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่ ünüz. นไม่ได้เนี่ย อันนี้ต้องบอกว่าจิตเวลาไม่จิตเจริญเวลาไม่จิตเสือ่อมเพรว่าจิจริงๆถึงจะไม่เจริญไม่เสื่มก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเอาไม่ได้เนี่อยอันนี้มันอันนี้อยู่รอบตัวของจิตจึงต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปนนเรียกว่าจิตมีไตลักเพราะจิตมันมิพพาให้มีเข้าใจเสรหมดตอนนี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันช่วงวันน มันหมดทุนหมดตัวประกันส่วนท้อฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราที่พูดตะกีนี้ว่าปลาปากเป็นเงาบุกกฎคุณยะปาปากเนี่ยบุกกบุญฝ่ายดีปาปากแปว่าบาปฝ่ายเ้าหมองที่ฐานน่าเกิดความทุกข์พอมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดพ็ให้เจริญให้เสื่อมสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกันบาปกับบุญนีเป็นคู่แข่งนพอทั้งสองโยนข้าวจากจิตถ้าเจอเนี่ยมันก็หมด คำที่ว่าเจริญไม่เสื่อหมดเลยเพราะนั่นสมมติเกาไปแทรกเลยนันั้นมันพูดไม่ได้แหละที่อาจจะเจริญไม่เสื่อมพราะมันไมเจริญไม่เสื่อมนี่เข้าตัวพอแล้วเนื้อคอถึงขั้นมัจจิมาในหลักธรรมชาติท่านพูดถึงลงเป็นสายผลแล้วก็เนี่ยคือหลักมัจจิมาผลในหลักธรรมชาติเลือกผลมัจจิมาในหลักธรรมชาติ่ายม้าที่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมัจจิมาคือศูนย์กลางตรงแนวต่อจุดหมายนี่พอถึงจุดหมายนี้แล้ว อันนี้ก็เป็นมัจจิมาในหลัธกธรรมชาติคือมจัจจมาในสายผลโดยหลักธรรมชาติจบกที่มเมเคือนไปอัน่นี้จะริ่มได้หง้หงดจ็ูขัาได้ถึงเรีย ว, ว่าอาการเียอาการเรียกกิจอาการรกกรรมคือกิจีพครับไม่มีเวลานาทีอะไรรับจะเกี่ยวข้องเลยถ้ามีการปถานที่ก็จะเกี่ยวข้องกังนไง สงัดเงียบนั่งดีเวลากลางวันนี่เดินดีกว่านั่งอุตสาหะจริงนะฉันจะหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปก็ความมันเดินนั่งมันง่วงว่าไงทเดินข้างหน้ตอนคืนหรืสงัดนี่นั่งดีคือจิตมันแน่วถ้าถ้ามันพักนี่มันเปนแน่ว ถ้าจิดพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันก็หมืนมันละเอียดแล้วออกมาถ้าจุดมันซึมซาบมันซึ้งไปทุกเนี่ยทุกมือของปัญญาไม่ขาดแนมันมันมันมก็เบาตอนนั้นาขาดแนมันช่วย